เจาเช้าอย่างนี้ก็ให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมกาลังใจให้กับตัวเองให้มากเราได้ปฏิบัติมาเหลือตาเหลือลาตีนี้ กับวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งลาตีเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันแบบนี้อีกต้องไปถึงปีหน้าเพราะนั้นเราลองนึกดะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ย เราได้ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมากกว่าทุกครั้งและบรรดาญาติโยมก็มากพอสมควรทำไมเราอยู่ร่วมกันมากขนาดนี้จึงไม่มีความวุ่นวายในหมู่คณะของเราเลยแสดงวัาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมันคุ้มครองโลก คุ้มครองจนถึงโรคโรค ก, ก็คือรอดิงแล้วก็คุ้มครองตัวเองทำให้เรานั้นเกิดปิติสุขเหมือนกับเราได้อยู่ในชีวิตอย่างนี้เนี่ยรู้สึกมีความสุขแต่ท่านทั้งหลายท่านได้สังเกตหรือเปล่าว่าความสุขนั้น มันแฝงไปด้วยการเวลาที่มันหมดไปเรามาอยู่อย่างนี้รู้สึกว่าวันเวลานั้นมันไหวเหลือเกินตอนนี้เข้ามาแดวันแล้วมันช่างไวเหมือนกับเราลืมหรือว่าหลับแล้วก็ตื่นชั่วเพรบตาเดียวเราก็ลืมเส็จแล้ว อีกเมื่อไร่นอชีวิตเราจะได้มาฝึกสติฝึกฝนตัวเองอย่างนี้อีกต่อจากนี้เราจะต้องออกจากสถานที่แห่งนี้ไปสู่สภาวะของกิเลสก็คือความวุ่นวายทำให้จิตใจของเรานั้นมัวหมองหม่นหมองใจอยู่ตลอดเวลา ในขณะนี้ท่านทั้งหลายจงละความง่วงเหงาเหานอนและกันตัดความไม่พึงปัฒนาในความรู้สึกของตัวเราเองในขณะนี้เราพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจับไว้ที่ลมหายใจ ในขณะที่เราจับลมหายใจเราก็หายใจลึกๆเข้าไปให้มันสุดลมหายใจแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกให้ท้องแห้งเลยสักสามครั้งเราปฏิบัติมาหลายวันแล้วสติเรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นสภาวะจิตเรานั้นอ่อนน้อม อ่อนไหวตามสภาพของจิตใจของเราได้ฝึกฝนให้มีเมตตาบาลมีเกิดความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่สภาพจิตใจของเรานั้นไม่มีอิจฉาเลืยาอยู่ในสภาวะจิตใต้นบจำนึกของเราเลยแต่ในขณะนี้ท่านทั้งหลาย เราจะครอบครองครอบครองความรู้สึกนี้เนี่ยไปได้สักกี่มากน้อยเพราะว่ากิเลสตัณหาลาคะเป็นเครื่องจินตนาการไม่เกิดกันเราก็ต้องเกิดกับคนข้างเคียงเราไม่เกิดกับคนข้างเคียงก็ต้องเกิดกับหมู่ญาติหรือสามีและภรรยาหรือลูกหลานของเรา กิเลก็เปลี่ยนเสมือนเศษผงเล็กๆมันปิวรออยู่ตามอากาศนั่นเองเศษที่ผงเล็กๆนี่แหละก็คือเรื่องเล็กๆในน้อยนี่แหละมันเข้าตาเราเศษเล็กๆเข้าตาเราเราก็ไม่มีปัญญาที่จะเขีย่ยออกได้กับเรื่องใหญ่ๆ ห, หรือเศษ ก้อนอะไรใหญ่ๆที่มันใหญ่มากกว่าดวงตาเราถ้ามันเข้าตาเราตาเราก็มันจะต้องตาบอดไปในที่สุดคำว่าตาบอดหัวหนวกก็คือความรักนะความรักความยินดีความรักของมนุษย์เนี่ยมีมากมาย แต่มันมีความรักสองอย่างก็คือความรักที่บริสุทธิ์ก็คือพ่อแม่ที่รักลู ก, ลกปู่ย่าตายายที่รักหลานนั่นเรียกว่าความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือความรักชันสามีภรรยามันมีตัวการมาลาคะเข้ามาด้วย มีตัวโลภมีตัวโกรธมีตัวหลงเข้ามาติดอยู่ในจิตใต้สำนึกขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพยายามพิจารณาตัวตนของตัวเองในขณะนี้ที่หลวงพ่อสอนสมถะ เราก็ขึ้นสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายเราก็พิจารณาเห็นถึงตัวเองนั้นอยู่ตั้งแต่ในท้องของพ่อแม่เป็นก้อนเลือด <c oughs> เล็กๆจนค่อยๆข ย, ยายมีหูมีตามีแขนมีขามีอวัยวะครบ3าสอง อยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือนแม่ก็เปียกเสมือนเหมือนมาหิวห้วหิ้วหมาก็ระเป๋าไปหอบหิ้วเราไปถึงเก้าเดือนจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินร้นแต่เป็นภาระด้วยความยากลำบากเมื่อเราเห็นเวทนาใจเห็นภาพในขณะที่เห็นแม่เราท้อง เราก็จะรู้สึกเกิดเวทนาทางใจใจที่เราเคยหยาบกา้านไม่ค่อยนิดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ก็เกิดมองเห็นภาพคุณงามความดีของพ่อแม่กันทำให้สภาวะจิตของเรานั้นอ่อนร้าลงมองเห็นและยอมรับความเป็นจริงว่าโอ้โนอ เราเกิดมาเนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม่ก็เป็นกรรมกับพ่อแม่ของพ่อแม่เรียกว่าตากระยายพ่อก็มีกรรมต่อพ่อต่อแม่เรียกว่าปู่กระย่าตกทอดเป็นมรดกตกทอดเป็นวิบากกรรมเรียกว่าพันธุ ก, กรรมผัว พ, พันธุ์ทั้งตระกูลพ่อตระกูลแม่เป็นสองแถวแล้ว จากที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวรู้ตนเลยว่าการเกิดของเราเนี่ยก็เพราะตันหาหลาคะเรียกว่าการมัดตันหาระหว่างพ่อแม่ถึงทางตันแล้วเขาบอกว่าเปรียบคนรักเนี่ยผู้หญิงก็เปรียบเสมือนเกวียนผู้ชายก็เปรียบเสมือนควายเขาว่างงั้นเมื่อไอ้เกวียนมันเทียมไฟแล้วเนี่ย ไปก็ต้องถูกไม้สองอันเนี่ยสลักแล้วก็ผาดแล้วก็ใช้เชือกลัดคอควายก็ต้องใช้ควายถึงสองตัวขันลากเวียนไปไอเวียนเนี่ยหมือนกัเขาเอาไว้ลากในเมืองสมยัยต้องหลากในที่โุกระ ที่รถลามันไปไม่ได้ม้ามันไปไม่ได้ช้างมันไปไม่ได้ต้องใช้ควายเฉพาะควายวัวเท่านั้นทางของร้อเปียนเนี่ยมันเป็นทางเรียบเสมอเลมันเป็นทางขุกระมันเป็นทางตื้นบางลึกบางโลมบางเลนบางข้ามน้าข้ามห้วย สารพัดเลยแต่ถ้าเราเจอควายดีมันก็ลากเปลี่ยนไปตามล่องตามรอยอเรียกว่าเป็นไปนในตามตามที่เราคิดพาเราไปใดในทางที่เราจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางปรบับใดเราได้ควายไม่ดีขี่โกงกำลังน้อย สมองหมากำลังควายเขาว่างั้นก็คือได้ผัวไม่ดีเมื่อได้ผัวไม่ดีก็เปลี่ยนเสมือนได้ควายไม่ดีไปพุทธะละักษณะเป็นพญาควายบ้างหรือเปล่าผัวเราผัวจะเป็นพญาวานนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวพญางูเหลือมกินแล้วก็นอนเลื่อยไปลักขโมย อาหารการกินการเวลาของเราและแม่สีภรรยาเราเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันสวยดีมันงามดีดูแล้วมันเป็นคนดีต่อหน้าเราเนี่ยมันดีทุกทุกอย่างแทั้งยิ้มมันก็กค่อยค่อ ย, ยิ้มทีละน้อยและทั้งเดินเนี่ยมันก็ค่อยคอย่คอยก้าว มันกลัวจะรมมันกลัวจะคิดว่ามันเซอรเราจะเห็นเข้าหญิงก็หรอกชายชายก็หรอกหญิงหรอกตามสภาพที่เกิดขึ้นที่มีความยินดีพอใจซึ่งกันและกันแต่ในขณะที่เรายินดีพอใจเราก็ลืมหมดเขาเรียกว่าความรักเนี่ยทำให้หลงหลงไม่พอแล้วก็ลืมอีกตั้งหาก ลืมว่าชีวิตเราเนี่ยจะต้องจากคนหนึ่งจากหัวใจเดียวเนี่ยจะต้องเพิ่มมาอีกถึงหนึ่งหัวใจคนเราเนี่ยมีหัวใจเดียวก็คิดจนปวดหัวเวียนก้าวหูจะแตกตาจะบอดมือจะหงิกขาจะง่อยเหนื่อยจนเตืือจะหมดทั้งตัวต้องกินน้ากันเป็น เป็นลิตรเป็นแกลลอนชีวิตคนเราเนี่ยมันเหนื่อยมากนะักการอยู่การกินการใช้ชีวิตคนเดียวก็อึดอัดใจไม่สบายใจต่อไปนี้ถ้าเกิดเรามีความรักเมื่อไหร่เราก็จะต้องแย่งกันกินแย่งกันนอนกินเท่าไหร่อาหารดีๆพอมีกำลังก็ผัดกันเสพ พัดกันนอนพัดกันกอดรัดพัดเหวี่ยงไปอาหารที่กินเข้าไปแล้วแทนที่จะได้มีกำลังไปทำการทำงานทำภาระในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กลับจะต้องมานอนกับลูกกับเมียกับผัวทำให้ง่วงให้เพียทำให้กระดูกเนี่ยมันเพิ่มในการผลิตเลือดขึ้นมา ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้เลือดของคนเรานั้นก็ผลิตมาจากกระดูกกระดูกของคนเราก็เป็นโพรงทางในเป็นรูพุนๆเหมือนตาข่ายตาแหรูเล็กรูใหญ่ในขณะที่เรามีสุขภาพเป็นเด็กก็สร้างกระดูกก็ใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆ นี่เป็นสมถะให้เราพิจารณาถึงปัทวีธาตุก็คือกระดูกไปด้วยรวมทั้งวิปัสสนาก็คิดตามไปด้วยรู้เท่าทันมองเห็นเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาล้วนๆเมื่อเราเข้าถึงสมถะเมื่อเราหาเหตุรู้เหตุเข้าไปในลึกลึกที่สุดก็คือกระดูกก็คือตะกรนกรรม ก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่านักปฏิบัติทั้งหลายในขณะที่เราจะได้ฝึกวิปัสสนานั้นเราต้องรู้จักเหตุและรู้จักผลเหตุก็หมายถึงว่าตัวตนรูปนามของเราเนี่ยมันมาอย่างไรมันเป็นอย่างไรถึงได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ เมื่อเราฝึกโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลเหมือนกับเราใช้ชีวิตใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเหตุมีผลก็เท่ากับเราอยู่ไปวันๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตั้งความหวังอะไรอยู่ไปก็รอวันเวลาให้มันหมดไปเหมือนสายน้ำที่ลังไห ล, ลงจากที่สูงสู่ที่ต่ำ แล้วก็เหิดแหงละเหยหายไปก็รอฝนใหม่อีกนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าได้ทำอย่างนั้นให้เห็นกับตัวตนในขณะที่เรามาพึงปฏิบัติแล้วเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามตามที่หลวงพ่อสอนไว้ส่วนใครไม่ได้มาตั้งแต่ต้นก็จะไม่ขออยู่เทินกลับไปอีก เราต้องเสียสละให้กับชีวิตของเราเราจะต้องให้สิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยมันหมกมุ่นหมกไม้ต่อสภาวะของกิเลส ก, ก็คือความยากลำบากในการกินการอยู่นั่นเองเมื่อเรารู้รูปรู้นามรู้เหตุรู้ผลเราก็ มองเข้าลึกเข้าไปในจิตตั้มใ้สำนึกก็คือจิตวิญญาณเรานั่นเองจิตวิญญาณก็หมายถึงว่าใจเรานั่นแหละที่มันเต้นตุ๊บตุบๆุบตุบตบนั่นแหละเมื่อมีจิตวิญญาณเนี่ยรับรู้ร้อนหนาวกระสับกระสายอึดอัดลังเลเจ็บนอนปวดนี ไอ้จิตเนี่ยมันรับรู้มั น, ม, นมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยบางคนก็รู้สึกว่าเอออะไรนาะอจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็เป็นอากาศสถท้านะเป็นอากาศก็เหมือนความคิดของเรานั่นแหละ เราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปหายไปเกิดขึ้นมาคิดใหม่คิดไปคิดมาคิดสารพัดสารพันเนืคิดแล้วก็หายไปแล้วก็เรื่องคิดใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นอากาศสัทธาในขณะที่เราตายลงไปแล้วเนี่ย จิตวิญญาณของเราเนี่ยก็ล่องลอยไปในอากาศมันเป็นสภาพของจิตที่สมมุติขึ้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในขณะตายเนี่ยมันจิตมันลอยไปให้เห็นตามนิยายตามนิทานตามละครมันไม่ใช่ <c oughs> จิตวิญญาณมันมีความรับรู้มันมีความเกี่ยวเนื่องเหมือนกับกายวิญญาณ ระหว่างร่างกายเราเนี่ยก็มีธาตุดินดินก็คือกระดูกธาตุน้าก็คือน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำลายน้าเงือ่ะธาตุลมเราก็หายใจพัดวีเข้าไปรวมทั้งอากาศธาตุที่หายใจเข้าไปในตัวเราเมื่อหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็มีอากาศเข้าไป อากาศก็คือของดีก็คือออกซิเจนแล้วก็คายของไม่ดีออกมาเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็คืออากาศที่ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องการก็คายทิ้งออกมาก็เหมือนเรากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายปัสสาวะออกมาดื่มน้ำใสๆเราก็ถ่ายปัสสาวะออกมา แต่เรามองเห็นสิ่งที่เราเห็นแต่ไอจิตสำนึกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกก็เรียกว่าจิตวิญญาที่เรานึกเนี่ยมันเผาผ่านความรู้สึกที่มันมองไม่เห็นเนี่ยก็คือเหตุและปัจจัยของกรรมกรรมก็คือเป็นวัตถุบ้างเป็นอารมณ์บ้างเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นนามบ้าง กรรมก็คือวัตถุวัตถุ ก, ก็คือทรัพย์ภายนอกก็คือแก้วแหวนเงินทองคนก็ยึดติดว่าเป็นของกูตัวกูของกูเอามามาเป็นว่าบ้านเรารถเราเงินแก้วแหวนทองเป็นของเรายึดจนเป็นโรคจิตเขาเรียกว่าจิตนึกอยู่ตลอดเวลากวจะหมดกูจะไม่เพิ่มขึ้นกวจะถูกขโมยเพชร ขโมยทองกวูจะยากจนจนเกิดเป็นจิตประสาทเรียกว่าจิตใต้สำนึกนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท้ายสุดเราก็ตายก็เอาไปไม่ได้แต่เราก็ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นจิตประสาทเรียกว่าเป็นโรคประสาทจิตที่มันผูกพันกับทรัพย์ แต่เรามองไม่เห็นเลยเพราะว่าเราไม่เคยมาฝึกตัดลัดตัดออกจากตัวตนีก็คือตัวอะไรตัวทานเราไม่เคยให้ทานทานสิ่งของก็คือแก้วแหวนเงินทองเราก็รู้สึกว่าเราขี้เหนียวตนีทีเหนียวแม้กระทั่งกินเนี่ยเราก็ไม่กล้าซื้อกิน ยอมอดเพื่อจะเก็บไปเงินไปซื้อเพ็ดซื้อพลอยซื้อบ้านซื้อทองซื้อทุกอย่างที่จะมาเป็นเครื่องดูว่าเป็นเครื่องปะทินทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ยอมรับว่าเรารวยรวยทรัพ์ไอ้คนรวยมันก็ตายไอ้คนเก็บขดกระทิงแดงมันก็ตาย ไอคนดีมันก็ตายไอคนชั่วมันก็ตายสรุปแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุดแต่สิ่งของซับภายนอกเนี่ยมองเห็นแล้วก็เสื่อมสลายง่ายแต่ไอจิตใต้สำนึกที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกมาจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือความคิด ก็คือร่องรอยมาจากอากาศไอ้จิตที่ใต้สำนึกเนี่ยมันนึกอยู่ตลอดเวลาก็คือนึกมาจากตาไอ้ตาเนี่ยตาที่มองเห็นเราก็นึกปรุงแต่งไปอีกและเข้าไปในใจมองไม่ชัดมองไม่เห็นก็สงสัยหลนลานไม่สบายใจเพราะอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นอะไรเมื่อเห็นแล้วรู้สึกสบายใจกับ เห็นแล้วก็ลำบากใจไม่สบายใจเช่นเราเห็นว่าญาติเราเสียชีวิตญาติเราป่วยหรือเห็นว่าบ้านมันถูกไฟไหม้ขโมยมันลักหรือทำร้ายญาติเราเราก็จะรุกนึกถึงว่ามันโหดร้ายเราก็โกรธแค้นเข้าไปในใจเห็นไหมเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึก ไอ้ที่นึกจากทางตาทางหูหูได้ยินแล้วเนี่ยเราฟังเพลงที่เราถูกใจเรารู้สึกว่าเรามีความเบิกบานใจพึงพอใจแต่ถ้าเกิดบ้านอื่นบ้านใดเปิดเพลงดังแล้วก็ไม่ถูกใจถูกหูเราเราก็ตา ม, มด้วยความโกรธคุนเครื่องมันมองใจเห็นไหมมันเข้าแล้วมันไม่ออก อะไรที่มันเข้าแล้วไม่ออกเนี่ยก็คือจิตจิตใต้สำนึกถ้าเกิดเรานึกในสิ่งที่มันต่ำมันชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ฉุดจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็คือความคิดของเรานั่นเองเมื่อมีความคิดที่มากมายสับสนมากเก่าก็ขาดสตินั่นเอง พอเราขาดสติมากๆเขาเรียกว่าเหมือนแหที่มันขาดตาแรกๆมันก็ยังทอดปาติดอยู่มันยังเอาอยู่พอมันทอดบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันถูกตอถูกของขมบาดตาไข่แหของเราเนี่ก็ขาดมากตาขึ้นขาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนจะเป็นรูปแค่แห่เท่านั้นแต่ว่าทอดแล้วไม่ติดป่าเลยเพราะว่ามันหลวขาดเยอะก็เหมือนความคิดของเราเนี่ยที่ขาดสติมากขึ้นก็ไม่สามารถจะยึดหรือจะจับหรือจะเอาอะไรเนี่ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้นั่นเองชั้นใดกว่าชั้นนั้นจิตได้สำนึกก็คือจิตวิญญาณ น, นี่แหละมันเป็นอากาศาธาตุ มันเป็นจิตที่ทุกคนเนี่ยมันต้องทรมานทรกรรมจิตที่เรานึกเนี่ยมันไม่ได้นึกธรรมดานะคุณโยมนะมันนึกจิตใต้สํานึกเนี่ยมันตกต่ําไปเรื่อยๆเหมือนกับสมเด็จพุทธเจา้าโตท่านกำ ม, มือสองกำ ม, มือเนี่ยวางเทินกันชั่วก็อยู่ล่างดีก็อยู่บนทั้งชั่วลงบนเนี่ยทั้งชั่วและดีเนี่ย ถ้ามีกรรมอยู่เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้พรานว่ากรรมไม่แบกไอ้จิตที่มันติดตัวเรามาที่ทำความชั่วมาตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยภพชาติกว่าเราจะเกิดมาตามสภาพกรรมในเรียกว่าปัจจุบันกรรมกรรมเราก็อยู่ในสถานะคิดดีบางคิดชั่วบางพอเราไปอยู่กับคนดีเราก็คิดดี ละความชั่วมาประกอบกรรดีเช่นเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราได้เห็นเขาพึงกระทำความดีแม่ครัวก็เหนื่อยแสนเหนื่อยก็ได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงวิภาควิจาร์ด้วยความสุขที่จะทำอาหารให้กับผู้มาปฏิบัติได้รับประทานหรือว่าพระคุณเจ้าได้ฉันอาหารด้วยความปานนี้ทุกอย่าง ไม่เหมือนพวกเราเรามีจิตใต้สำนึกนึกอยู่อย่างเดียวว่าโอ้ no ทำไมมันเสียงดังจังคนพวกนี้ไม่รู้จักบาปกรรมคนพวกนี้ทำไมเสียงดังน่าจะเกงใจบ้างเราปฏิบัติธรรมอยู่ก็น่าจะเห็นใจน่าจะรู้คิดไปแค่อย่างนั้นแหละแต่เขาก็มีความสุขที่จะยินดีทําให้กับเรา ได้ขบได้ชันได้เคี้ยวได้ดื่มได้กินเต็มออกเต็มใจด้วยความเบิกบานใจแต่ถ้าเรามองด้วยความจิตต่ำมองในสิ่งที่เลวร้ายมองในสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะเราคิดไม่ดีทำตัวไม่ดีจิตเราไม่เคยมีเมตตาไม่เคยให้ทานผู้อื่นด้วยเต็มใจในการให้ไม่เคยบริจาคทรัพย์ แก้วแหวนเงินทองไม่เคยเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นอย่าหวังเลยว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย <c oughs> จะได้ความเอื้อเฟื้อจากตัวเรา <c oughs> ก็คือคนที่เป็นลูกขนาดพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามามีบุญคุณกับเรามากมายให้ข้าวให้น้าให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรค ให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตจนเราเนี่ยปีกก้าขาแข็งได้ลำได้เรียนจนจบถึงมหาวิทยาลัยผู้ชายก็ได้ไปได้เมียได้ได้เมียได้ลูกให้ได้คนอื่นนั้นเรียกเราว่าเป็นพ่อเป็นแม่ผู้หญิงก็ได้ผัวมาเป็นออกลูกมาก็ได้เป็นแม่เหมือนกับพ่อแม่เรา ขนาดพ่อแม่เราดีกับเราขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่มีตาไม่มีจิตที่มีความเมตตาต่อพ่อต่อแม่เห็นคุณงามความดีของพ่อและแม่ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตัวน้องเราและก็ชีวิตของเราเรายังไปลักไอคนที่เขาหิวส้มมาให้เราหนึ่งกิโลเราลักมันเหลือเกิน มันให้ข้าวเรากินพากันไปเลี้ยงครั้งครึ่งครั้งแต่ไม่สูบุหรี่กินเหล้าเมายาเราดันรักฝังหัวถ้าใครมาทำเพื่อนเราเราถึงก็เอาชีวิตเข้าแลกททำไมเราไม่เห็นแลกชีวิตแลกข้าวแลกน้ำที่พ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาเนี่ยทำไมเรามีจิตใจสำนึกไม่ได้ ก็เรียกว่าบีบากกรรมตั้งแต่พ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายที่ไม่เห็นกันความดีซึ่งกันและกันมาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดกันมากรรมชั่วกรรมยามเขาถึงบอกว่าความรักเนี่ยเปรียบเสมือนหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นของใกล้ตัวเห็นขี้ควายดีกว่าขี้ผงก็ออคือความโง่เห็นควายเนี่ยก็จะกินควาย เห็นวัวก็จะกินวัวเห็นควายแล้วัวก็อยากได้เอามาเป็นเจ้าของเสเป็นของตัวเราเองเสมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันมีจิตวิญญาณที่ชักจูกไปสู่สภาวะกรรมกรรมก็คือกากรรมอยู่ในความคิดนักปฏิบัติทั้งหลายความสำเร็จอยู่ที่ใจ ใจก็คือหมายถึงจิตวิญญาณที่มันเบาอยู่เนี่ยเราฝึกให้มันหนักแน่นก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวรู้ตนเมื่อเราฝึกแล้วรู้ในตัวในตในของเราอย่าไปคิดอย่าไปฟังของคนอื่นเสียงที่ไหนยินว่ารักเราชอบเราเราสวยเราหล่อเราสง่าพ่าเหมย่ยเรามีบุญมีบารมี เกิดมารวยทรัพย์รวยศินนะคนที่รวยเนี่ยมันรวยมาจากพ่อจากแม่ร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์ได้มันก็มาจากพ่อจากแม่การกินการอยู่มีความรู้เนี่ยพพ่อแม่ไม่อนุเคราะห์ปู่ย่าตายายไม่อนุเคราะห์ไม่เกิดในตระกูลที่ดีเราจะได้อยู่ถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร เราทำไมไม่เห็นไหมว่าไอเด็กเนี่ยมันเขาเอามาทิ้งมันก็มีเกิดมารูปเป็นรูปคนจนเก็บขยะเก็บแก้วเก็บขวดขายเขาก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้อยู่กับโลกใบนี้ได้แต่ว่าโอกาสของเขาเนี่ยมันมีน้อยกว่าพวกเราโอกาสที่จะได้มาบวชเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่ง เก็บขยะเข็นรถให้ยายนั่งคือเมียนั่นแหละแต่งงานมาตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความรู้หนังสือก็ไม่ได้เรียนอยู่วัดเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นตาแก่ๆลุงพ่อเนี่ยบวชมาเนี่ยได้เห็นคุณตาเนี่ยกินเหล้าเมานอนตามข้างถนนก็มี ไปบินทบัตจะเจอคุณยายนี่ก็ถือไม้เลียวเนี่ยตีคุณตาปับป๊บปับ๊บป๊ปเพราะว่าตาเนี่เมาตั้งแต่หนุ่มเลยบางทีนอนก็เป็นห่วงว่ายุงจะกัดรถจะทับตายายก็พยายามลากคุณตาเนี่ยให้ตื่นแล้วก็เข็นคุณตาเนี่ยดึงขึ้นรถเข็น แล้วก็ดันไปด่าไปบ่นไปไอเฮียไอฮาอภัยเธอเขาพูดอย่างนั้นจริงๆอยู่มาวันหนึ่งยายก็เกิดหกลม้มนะตาก็เมาทุกวันเก็บเจ็จขยะไปคุยเคียไปกับยายสองคนตายาย วันหนึ่งเนี่ยก็มีหลานนะเด็กตัวในน้อยเนี่ยจาก1คนก็เป็นสองคนสามคนสี่คนที่หลวงพ่อเห็นนี่4ี่คนเสื้อผ้าก็เก่าเก่าก็เก็บจากกองขยะก็ไปเย็บไปตัดบางเสื้อผ้าเด็กที่เขามาทิ้งเก่าๆแกก็เก็บให้หลานแกมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อก็ถามว่าตายายแกมาขอข้าวที่วัดกิน ไอเด็กสี่คนนี่มันเป็นไปเก็บมาจากไหนได้มาจากกองขยะหรือโอ้ยหลวงพ่อครับหลวงพี่ครับผมมามีกรรมอยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่เล็กจนโหจนเล็กๆเนี่ยก็พัดพลากจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็มากผัวมากเมีย ไม่รู้ว่าพ่อแม่ทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายพอปู่ย่าตายายตายไปแล้วก็ซัดเซพเนจรไปเป็นลูกจ้างหลายวันบางไปทั่วสารทิศเลยหลวงพ่อว่างั้นคุกตารางก็ถูกเขาเกล่าวหากล่าวลายก็ติดคุกติดตารางออกมาพอเจอเมียเมียก็ยากจน ใหม่ๆผมก็คิดว่ามันมีกินมีใช้หวังว่าจะพึ่งเขาเอาเลยได้เมียามาเมียก็แก่มันก็อยากจ น, นเหมือนเราว่างั้นต่างคนต่างไปทำงานก่อสร้างก็มาเจอกันกรรมนี่ยมันชักจูงเรียกว่าบุพกรรมต้องเจอเมื่อเจอยายแล้วเนี่ยก็ แอบได้เสียพ่อแม่ก็ร้องไห้พาลูกเขาหนีว่างัน้นวิวันหนึ่งตา ก, ก็เล่าให้ฟังด้วยน้ําตาขอเบ้าว่าเขาก็ตามฆ่าเพราะว่าเขาหวงลูกสาวเขาไอเราก็ไม่มีญาติพี่น้องก็พากันไปต่างจังหวัดบ้างไปถางป่าบ้างไปรับจ้างด้วยความลักผูกพันกันอย่างไรก็ไม่รู้พอเมาเนี่ย ผมก็เตะยายต่อยยายยายก็หนีไปสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างผมก็ไปตามคนก็ส่งข่าวหนีเท่าไหร่ก็ตามเจอแกก็กลับมาอยู่กับผมไม่รู้เป็นคู่ทุกู่ยากอะไรกันว่างั้นเห็นไหมยายผมก็ถามอีกยายทำไมอยู่กับตาจนกี่ปีแล้วโอ้ยอยู่กับมันมา สี่สิบกว่าปีร่วมห้าสิบปีแล้วหลวงพ่อโอ้โหแล้วยายนี่ดีเนาะมีผัวดีเนาะผัวอุตส่าห์เนี่ยแก่เท่าก็ยังใส่รถเข็นไปไหนไปด้วยโอ้ยบ้านมันไม่มีที่มันเข็นฉันมาในฉันไม่มีบ้านฉันอาศัยกองขยะอยู่อี ต, ตรงที่เขาทิ้งขยะนะเย็บถุงปะมั่งเอามาคุมคุมดูเป็นบ้านเพราะงั้น เวลาเขาเอาขยะมาทิ้งเนี่ยฉันก็โกรยเพราะว่าฉันไม่มีที่มีทางไม่มีที่อยู่อาศัยนะบัตรประชาชนฉันก็ไม่มีเห็นไหมบุปรกรรมวิบากกรรมมันต้งมาเจอเจอกันดีที่ไหนไอตาเนี่ยไอเฮียเนี่ยโหแกกระพรมันเลวสิ้นดีมาก่อนเนี่ยหลวงพอ่อ ฉันมีเงินเท่าไรมันก็รักเอาไปเล่นไพ่เด่นหวยเล่นไฮโลถั่วปกินเหล้าเมายาแล้วก็ซ้อมฉันจนจนขาแข้งเนี่ยฉันเนี่ยหัวหูแตกเป็นแผลเย็บเต็มตัวหมดข้าวก็ะมันแทงมันมันก็ไม่ตายแย่งไปมันก็ผู้หญิงสู้อะไรได้มันก็ฟันฉันเข้าไปด้วยเหมือนกันฉันลำบากยากเข็นมากเลยหลวงพ่อเอ้ยเหมือนกัน ถึงทุกวันนี้ฉันก็ไม่มีบ้านอยู่พอพูดมาลุงพ่อก็รู้สึกน้ําตาคอเบา้าเกิดความสงสารยายขอตาชวนมาอยู่วัดตายายมาอยู่วัดกับฉันไม่เดีฉันจะปลูกกระต๊อบอยู่ให้โอ้อยู่ไม่ได้แร้วเดี๋ยวคนเขาดูถูกอว่ามาอาศัยวัดกินน่กรรมน่ยมันมองไม่เห็นว่าเราเจตนาดีและยกสถานะกรรมที่ไม่มีอะไรเนี่ย กักกรรมก็จะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นก็ไม่สามารถที่จะมาวัดเราได้พอเสร็จแล้วต่อมาก็มีหลานมาอีกสี่คนอ้าวแล้วนี่เด็กมาจากไหนเออฉันมีลูกเจ็ดคนไม่เคยอยู่กับฉันสักคนหนึ่งพอโตขึ้นเขาก็มีลูกมีเมียอ้าวแล้วมันไปมันทำไมเอาลูกมาฝากตากับยายแก่ขนาดนี้ เออฉันไปเห็นแล้วมันก็ทิ้งกระจอองแ ง, งหัวไปทางเมียไปทางฉันก็เอามาฝากแล้วมันก็ไม่มารับกลับเลยอย่างนั้นโอ้โหแกก้อนตอนข้าวได้ข้าวไปจากวัดก็ป้อนให้หลานกินก่อนตอนไปป้อนมาก็เนื้อหมด เหลือแต่ข้าวเปล่าแกก็อา น, น้ำปลาคุกๆสองคนตายายก็กินเราเห็นแล้วก็เวทนาพอให้ตังไปาตาก็เอาไปเล่นหยให้ไปาตาก็เอาไปซื้อเหล้ากินแกก็เข็นยายจนหลานๆโตเป็นหนุ่มฮะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีผู้ชายสามคนผู้หญิงหนึ่งคนไอ้เด็กสี่คนก็หายไปอีก แสดงว่าตากรยายเนี่ยแกมีวิบากกรรมจะต้องชดใช้อย่างมากมายแกจะต้องมีบุปกรรมอย่างมากมายในชีวิตเมียก็ไปลักลูกเข้ามาตบตีแทงกันยังไงฆ่ากันยังไงก็ยังเสพกันจนมีลูกถึงเจ็ดแดคนแล้วก็เลิกกันไม่ได้ยอมลองคิดดูซิวา่าวิบากกรรมเนี่ย ยังไม่ได้พูดถึงว่าทำกรรมอะไรไว้ปัจจุบันคุณตาเนี่ยมาอยู่วัดแต่งชุดขาวแล้วทิ้งหมดแล้วยายก็ตายลงไปงานศพนี่ไม่มีใครเลยมีหลานอยู่สองคนแล้วก็ไอหลานก็ไปได้ลูกได้เมียคนจนๆลูกก็อุ้มมากางเกงก็ไม่มีใส่เมงวันตอมเต็ไมไปหมดหลวงพ่อก็บริจาคเงินไป ให้หลวงพ่อวัดกันสปะได้เผาได้ทำเออแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยก็คงมีกรรมกับพวกนี้ไว้บ้างจึงได้เห็นสภาพเหมือนกับเป็นธรรมะที่สอนว่าโอ้โหนวิบากกรรมคนเราเกิดว่ายเกิดมาเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ตามสภาพเลยดูตามสภาพของคุณตา เข็นยายจนตายไปเลี้ยงลูกโตมีลูกมีผัวชดใช้ถึงหลานแต่ยังมีเหลนมาให้อุ้มจนตายไปยายตอนนี้ยายตายไปรถคงรถเข็นก็พังหมด เพิ่งจะหลุดพ้นใช้นี่หมดยายตายหมดเหลือตาขาก็ต้อ ง, ก ร, ง, ก, รองกระเดงกระดกกระเดกตาก็มองไม่เห็นฟันก็หักเหลืออยู่ซี่เดียวหรืออย่างไรเนี่ยมือนิ่งห ง, งอยหมดขาโก่งนอนยืดตัวก็ตรงไม่ได้เอาผ้าดีๆเอาไปให้ก็ไม่ใช้เอาไปเก็บไว้เอาที่หลับที่นอนดีๆไปให้นอนก็นอนไม่ได้ ท่านทั้งหลายท่านลองนึก้อว่ามันเป็นกรรมอะไรที่เกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผักมีน้ามีปลามีอาหารมากมายแต่ทำไมเราเลี้ยงตัวเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาทั้งๆ ท, ท, ที่เราได้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์ กรรมเนี่ยมันชักจูงเราไปสู่สภาวะเห็นไหมเรียกว่าบุพรกรรมจะต้องเจะเจอผู้หญิงจะต้องเจอผู้ชายชายก็ต้องเจอผู้หญิงเหมือนดุดดังพ่อแม่ผู่ย่าติายายเราเขาครองราชครองเรือนกันมากักกรรมกันแล้วทั้งหนึ่งชีวิตเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติสมมุติว่าเป็นบ้านเป็นที่เป็นรถเป็นของพ่อแม่ก่อน เมื่อพ่อแม่ตายลงไปลูกก็บแบ่งกันไปกระจัดกระจายเขาเรียกการจัดกระจายกำจัดออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นแบ่งกันเป็นตนเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันออกมาจะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันอยู่ร่วมกันได้ในขณะที่ตัวเล็กๆ เ, เท่านั้นพอมากขึ้นมันก็มากโดยกิเลสมากโดยตัณหาราคะ ผู้ชายก็ไปมีเมียผู้หญิงก็ไปมีผัวเรียกว่าแยกกันแล้วเริ่มแยกทางกันแล้วจากทางเดียวนี่หลายๆทางก็สับสนพอพ่ อ, พอแม่ตายก็จะต้องแบ่งทรัพย์ภายนอกที่พ่อแม่เนี่ยกากกรรหามาที่ว่ายึดว่าเป็นของกูตัวกูนี่แหละหากินจนฟันหักหนังเหี่ยวชดใช้ลูกหลาน นะเลี้ยงลูกโตแล้วก็ต้องมาเลี้ยงหลานเสือกไม่ตายก็ต้องเลี้ยงถึงเหลนมาลงมาหลังมาเลงแดกตายหาไปก็ไม่ได้อะไรเลยเงินทองที่เก็บกักมาก็ถูกตัญหามันหลอกพยายามหลอกให้เราเนี่ยมายึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่มันมีมูลค่าคิดว่ามันมีมูลค่า พยายามอดข้าวอดน้ำไม่ยอมไปเที่ยวไปหาไปดูสแสวงหาโรคที่มันจเจริญแล้วแต่เรายังหมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สมบัติพอจะมาวัดก็ไม่อยากมาเพราะกลัวขโมยจะรักของหัวลูกกลัวหลานจะไม่ไมาแย่งมาชิงไปขณะอยู่นี่ก็ไม่เข้าวัดจะได้เข้าวัดก็คือตอนตายนั่นแหละ แล้วเนี่ยต้องไปเชิญนะเอารถใส่มาเอาโลงใส่มาเลยบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยใหญ่โตมากมายแต่ไอหลังสุดท้ายเนี่ยกว้างสอกยาววานักปฏิบัติทั้งหลายเราลองนึกซสีว่าบ้านหลังสุดท้ายเราเนี่ยกว้างสอกยาววานะมีหมอนมีมุง้งมีเสื้อผ้าหนึ่งชุดกางเกงในมันใส่ให้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไหวเลี่ยทางมาเลยทั้งทูบและเทียนดอกไม้ใส่มือมาใส่น้ำมันหวีเป๋ใส่กางเกงใส่เสื้อนอกเสื้อในเอาหมอนข้างหมอนผ้าห่มคลุมมาเลยอบอุ่นไหวเลี่ยทางมาถึงวัดเลยเพอถึงวัดปุ๊บมันก็เห่าขึ้นหลักเนหลักใจเนยตอนอยู่กระดาพระ ตอนอยู่ก็ไม่ทําวัดสวดมนต์ไม่มีสติก่อนตายก็ทุนหลนทุ่นลายชั้นใดก็ฉันนั้นก็เหมือนตาปัจจุบันนี้ยังอยู่วัดอิติอยู่ชดใช้จนโอโหเราเห็นสภาพแล้วกว่าจะหมดได้กว่าจะอยู่วัดได้กว่าจะนอนได้นอนที่ดีก็ไม่ได้ กินดีๆก็ไม่ได้ก็เก่งใจก็ไปแอบกินตามเสาบ้างเพราะไม่เคยสร้างวิหารทานไม่เคยปลูกต้นไม้ใบหญ้าไม่เคยบริจาคทานไม่เคยเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้แต่ทำร้ายผู้อื่นท่านทั้งหลายท่านหลองนึกซึว่าลองมองตัวเราเองว่า คนหนุ่มเนี่ยยังมีกําลังดีถ้าเปรียบเสมือนมีดก็เป็นมีดที่ตีมาใหม่ๆกําลังแหลมกําลังคมดำกว่ใหม่ยังไม่คดไม่คอนยังไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝนมันคมในตัวตนของมันอยู่แล้วในขณะที่เราเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเรามัวรอเคียงรอสากรอคกเ ร, เรียกว่าไอสากกระเบือ ยันเหลือลบเนี่ยยังปล่อยเวลาประมาทไปเราก็จะพลาดพังเพอแลวไปเ จ, เจอเจอเหมือนคุณตาเข้าเราไม่รู้เลยว่ากรรมเนี่ยมันจะดนจิตดนใจให้เราไปสู่สภาวะใดๆบ้างแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่โชคดีมหาศาลที่บรรดาญาติโยมที่มาประพฤติดีปฏิบัติชอบ กรดีมาสู่สภาวะร่างกายก็ไม่ต้องทำงานนั่งเฉยทำใจยิ้มเขไว้มีความสุขลุงพ่อแหกปากพูดให้เราฟังไม่ต้องคิดเลยนึกได้ตามได้สบายใจเลยแต่ลุงพ่อนี่ต้องแหกปากตั้งแต่ตีสีแล้วก็ทั้งวิ่ทั้งวัดจะกินนอนก็มีคนรบกวนอยู่ตลอดเวลา ก็มีวิบากกรรมขนาดเป็นพระเป็นหลวงพ่อแล้วก็ยังหนีวิบากกรรมของตัวตนที่ทำไว้ในอดีตและในปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นอดีตก็คือปัจจุบันอดีตเราทำชั้นใดดีชั่วไว้นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้นิ้วชี้ปัจจุบันมันก็เลี่ยงที่ของมันมันอยู่ประจำที่ของมันอยู่แล้วว่าเราเนี่ยรู้ที่เกิดแต่ไม่รู้ที่ตาย เกิดเนี่ยเราเกิดตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรหมู่บ้านอะไรวันที่เวลาเนี่ยเราเกิดรู้หมดไปแจ้งเทศบาลไปแจ้งอำเภอ แต่ว่าพ่อแม่ก็ไปดูเลิกผานาทีตั้งชื่อในรวยนางบุญมัง่งนะในบุญเลิศในบุญเสริมมีแต่ความเสื่อมโทรมทางนั้นนะในรวยก็โคตรจนเลยในเสริมนี่ไม่ได้เสริมเฮียอะไรเลยสุดหัวบวบนะในบุญมีไม่มีกระทั้งกางเกงในจะใส่มันจะบุญมีได้อย่างไร เพรนั้นชื่อก็สมมุตริรูปนามก็สมมุติในโลกนี้ก็สมมุติถ้า ง, งั้นแก่แหวนเงินทองเราไปยึดมั่นถือมั่นมันเองก็เกิดความทุกข์รูปเมียผัวก็ไปยึดมั่นถือมั่นโดยวิบากกรรมที่มีพ่อแม่ทํากันมาเราก็มองไม่เห็นก็ทั้งว่าพ่อแม่ก็ทะเลาะกันดีกันแย่งชิงกันมา ทมาก็ทกับข้าวไม่รู้เป็นร้อยเป็นร้านครั้งให้พ่อกินกินยังไงพ่อก็เตะแม่มังด่าแม่มังแม่ทำยังไงก็ไม่ถูกไม่ต้องพ่อทำยังไงแม่ก็ดา่าพอ่อด่ากันไปโคตรพ่อราแม่ถ้าลูกดีบอกเนี่ยมันเลือดเนื้อกูเหล่ากูได้ได้เหล่ากูถึงได้ดีเหมืนน เรามึงมันเหี้ยชัดๆว่ากันไปนั่นอีกไอ้เรื่องดีบอกเหล่ากูไอ้เรื่องดีบอกชัว่วเนี่ยบอกเหล่ามึงทะเลาะกันจนถึงปู่ญาตายายก็ไม่ได้มากอดลูกกอดหลานหลานก็เกียรติปู่เกียดยาิาเกียรตาเกียรยายเพราะว่าพอแม่ทะเลาะกันเข้าข้างลูกมึงลูกกูกลายเป็นโมฆะจริตที่เป็นพันธุ ก, กรรมต่อกัน อารเชาวๆได้ถวายวิปัสนาให้มองเห็นพรุ่งนี้ก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่องเรื่องของเหวลักห่วงลึกเนี่ยเข้าไปแล้วพรุ่งนี้ลาติสุดท้ายได้เห็นสัจจะคือความจริงที่เกิดขึ้นค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆหายใจให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยลืมตาเพื่อจะได้ตรวจน้ำซืบต่อไป